สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในบทเรียนจากสุภาษิตรเรื่องจงระวังคําพูดพระเจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในสุภาษิตบทที่สิบสองข้อสิบสามถึงข้อสิบหกสุภาษิตบทที่สิบสองข้อสิบสามถึงข้อสิบหกโปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้า คนชั่วร้ายย่อมติดบ่วงโดยการละเมิดแห่งลิมฝีปากของตนแต่คนชอบทำหนีพ้นจากความลำบากจากผลแห่งถ้อยคำของตนคนก็อิ่มใจในความดีและผลงานแห่งมือของเขาก็กลับมาหาเขาทางของคนโง่นั้นถูกต้องในสายตาของเขาเองแต่ปราดย่อมฟังคำแนะนำ จะรู้ความร้อนใจของคนโง่ได้ทันทีแต่คนที่อย่างรู้ย่อมไม่นำพาต่อการดูถูกพิงครับการใช้คำพูดหรือวาจานั่นเป็นเรื่องสำคัญบ่งบอกถึงจิตใจภายในของผู้พูดว่าเป็นคนชั่วร้ายหรือเป็นคนที่ชอบทำ คนชั่วร้ายนั้นเขาจะมีวาจาที่ชั่วร้ายคดเคี้ยวซึ่งต้องถือว่ามาจากมารครับเป็นคําพูดวาจาของมารที่ปรารถนาจะบิดเบือนความจริงตั้งแต่อาดัมและเอวามาแล้วครับเพียงครับพระเจ้าและของพระเจ้าในวันนี้พูดถึงว่าความชั่วร้ายหรือคนชั่วร้ายนั้นก็ย่อมติดบ่วงแห่งความชั่วร้ายของตนด้วยคําพูดของตัวเองครับ แสดงว่าการบิดเบือนความจริงนะครับเพื่อสนับสนุนตัวเองเพื่อสนับสนุนคําพูดของตัวเองเพื่อที่ให้ตัวเองลุกคูดมีเครดิตเท่ากับเป็นการโกหกครับและถือว่ามีท่าทีบิดเบือนนั้นเท่ากับว่าเป็นการโกหกอย่างจงใจพี่น้องครับพระเงมพีได้เตือนเราว่าคนที่ทําเช่นนี้จะติดกับดักการโกหกของตัวเอง เพราะอะไรครับเพราะว่าจะสังคมจะเห็นว่าการบิดเบือนการใช้วาจาคดเคี้ยวนะครับก็จะถูกจับได้และเขาจะถูกเปิดโปงพี่น้องครับเพิพ่มพีบอกว่าคำโกหกของเขาก็จะเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปนั่นหมายความว่า การติดบ่วงแล้วของคำบิดเบือนของตัวเองครับถูกกับดักดักและถูกกับดักของตัวเองด้วยนี่เป็นเรื่องที่น่าเศร้าและน่าสมเพชเป็นอย่างยิ่งและคนชั่วไรเหล่านี้นะครับในข้อที่สิบห้าได้บอกว่าทางของเขาก็ถูกต้องในสายตาของเขาเองถือพูดง่ายๆว่าคนอื่นสอนไม่ได้ครับมีแต่เขาเท่านั้น ที่ถูกเ ร, เรื่องนี้จึงกลายเป็นเรื่องของการใช้คำพูดที่เข้าข้างตัวเองและคำพูดที่ทำให้ตัวเองนั้นลุกคูดดูดีแลวก็เป็นคนชอบทาอันนี้เป็นเรื่องหลอกลวงครับที่เราเรียกว่าเฟซในที่สุดเขาจะถูกจับได้ครับและทุกคนก็จะรู้ในทางกลับกันครับใครที่ชอบทำ คนคนนั้นเขาจะไม่กล่าวคาโกหกและไม่จงใจที่จะบิดเบือนความจริงพี่น้องครับคำว่าจงใจหมายความว่าไม่มีท่าทีในการบิดเบือนความจริงเขาจะพูดความจริงตลอดเขาจะเป็นคนที่ตรงไปตรงมาไม่แต่งเติมเสริมคําพูดของเขาและจะพูดเหมือนกันเสมอครับในขณะที่คนชั่วร้ายนั้นกล่าววาจาลดเลี้ยวเคียวกด เขาจะพบว่าเขาต้องสรรหาทำแก้ตัวที่จะมาพูดกับคนอื่นบางทีก็จำไม่ได้ครับว่าตัวเองพูดกับใครไว้เมื่อไรอย่างไรแต่พูดเท็จพูดโกหกพี่น้องครับต้องระวังเรื่องนี้เราจะต้องพูดจริงต้องพูดความจริงต่อกันและกันความสัต์ซื่อในความจริงของเรานั้นควรจะต้องเต็มขนาดครับ อย่างที่พระเจ้าปรารถนาให้เราเป็นอย่างที่ควรครับเพราะว่าผลแห่งถ้อยคำที่ดีของเราซึ่งเป็นคนชอบทานั้นก็จะนำมาซึ่งความอิ่มใจเพราะว่าพูดความจริงพูดความจริงด้วยใจรักและผลงานแห่งน้ำมือก็จะกลับมาสู่เขาครับสิ่งที่เขาทาสิ่งที่เขาพูดก็จะได้รับการตอบสนองในทางกลับกันครับคนโง่ และทางของคนโง่นั้นก็เป็นเรื่องหลอกลวงเป็นเรื่องมโนเป็นเรื่องถูกต้องในสายตาของตัวเองและพวกเขาจะไม่ฟังคำแนะนำของใครชีวิตของเขานั้นถ้าหากเสียหายนะครับซ่อมไม่ได้ครับแต่ถ้ายังไม่เสียหายในเวลานี้ก็ไม่ได้ดีขึ้นไปกว่านี้ในอนาคตพียงครับมีคำพูดอย่างนี้นะครับว่าปราดย่อมฟังคำแนะนาคนที่ฉลาดและจะประสบความสาเร็จนั้น ย่อมฟังเสียงทุกเสียงที่เข้ามาในชีวิตแต่เขาจะให้น้ําหนักมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับความเฉลียวฉลาดในการเลือกของตัวเองบางคนหูเบานะครับก็จะฟังคนและเชื่อง่ายแต่ว่าไม่เฉลียวฉลาดครับเพราะฉะนั้นก็จะประสบกับความล้มเหลวหรือความอับอาย เมื่อใครบางคนมาก่อกวนหรือดูถูกเราใช้วาจาที่ล่วงเกินเราหรือใส่ร้ายป้ายสีเราต้องถือว่าเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องทางโลกครับแทนที่เราจะตอบโต้กลับซึ่งไม่ได้ช่วยแก้ปัญหามีแต่จะเพิ่มปัญหาให้มากขึ้นขอให้เรานิ่งเฉยครับอยู่เฉยเฉยไว้ก่อนจะดีที่สุดและเตรียมตัวรวบรวมข้อมูลที่จะชี้แจงอย่างสุภาพและสงบให้เราตอบสนอง ในทางบวกต่อทำให้ร้ายป้ายสีต่อคำนินทาว่าร้ายต่อการเข้าใจผิดแล้วผลจะออกมาในทางบวกครับเพราะว่าพ่อพีบอกว่าคำตอบอ่อนหวานช่วยระงับความโกรธแต่ถ้อยคำที่เผ็ดร้อนนั้นยั่วโทสะพี่น้องครับถ้อยคาที่อ่อนหวานหรือคำตอบที่อ่อนหวานจะช่วย ระงับโทสะได้ครับจะช่วยระงับเหตุที่คนกล่าวให้ร้ายเราคนใส่ร้ายป้ายสีเราพี่น้องครับคำตอบอ่อนหวานช่วยระงับความโกรธแต่ถ้อยคำที่เผ็ดร้อนก็คือการถกเถียงกันการโต้แย้งอย่างไร้เหตุผลใช้อารมณ์ก็ยั่วอารมณ์ครับยั่วโทสะ ปกติแล้วนะครับพี่น้องค่อยคําที่ดีของคนที่รำมาระวังก็จะไหลออกมาจากปากของเขาครับและจะส่งผลต่อสิ่งต่างๆให้ดียิ่งขึ้นสถานการณ์ที่เลวร้ายกลับดีขึ้นซึ่งในที่สุดแล้วนะครับสิ่งที่คนชอบทำทำนะครับก็จะหวนส่งผลกลับไปถึงผู้ที่ทำหรือผู้หรือตัวเองครับพี่น้องในขณะที่คน อย่างรู้นะครับเขาจะไม่สนใจการดูถูกหรือข้อมูลเท็จหรือคำให้ร้ายป้ายสีเพราะสิ่งต่างๆเหล่านั้นครับเป็นความอัปยพของผู้พูดเองครับเพราะเขาเป็นคนที่โง่และถูกหลอกลวงง่ายและถ่ายทอดสิ่งที่เป็นความเท็จ ด, ดังนั้นเองถ้าเราเป็นคนโง่เราก็จะตอบสนองเหมือนสัตว์ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับ เราต้องนิ่งเฉยครับไม่ตอบสนองถ้าเราเป็นคนโง่ก็จะตอบสนองแบบคนโง่ครับเหมือนกับสัตว์ที่แรบบาดเจ็บฝ่ายตรงข้ามเราเขาก็รู้ว่าเราบาดเจ็บแล้วเขาก็จะหัวเราะเยาะและจะสะใจพี่น้องครับเรื่องต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องที่น่าสมเพชครับเป็นเรื่องน่าสมเพชน่าสังเวช ท, ที่สุดคนโง่ แสดงถึงความรำคาญต่อคำพูดที่ไม่ดีด้วยท่าทีที่เล่าร้อนคนโง่นั้นได้รับความเจ็บปวดบาดเจ็บครับและจะต้องรีบตอบสนองอย่างไร้สติไร้สมองไร้ความคิดแต่พระพีบอกว่าคนที่สุขุมก็จะรักษาไว้ซึ่งความเงียบระงรับความไม่พอใจของเขาเพื่อที่เขาจะพร้อมในการชี้แจงในการตอบสนอง และในการโต้แยง้งในเชิงสร้างสรรค์ต่อไปพี่น้องครับเราเลือกได้ที่จะตอบสนองปัญญาพี่บอกว่าถ้าเราเป็นคนใจร้อนเราเป็นคนโง่เราก็จะตอบสนองทันทีครับแต่คนที่อย่างรู้ย่อมไม่นำพาต่อการดูถูกพี่น้องครับ smart people will ignore and insult คนฉลาดครับ เขาจะเพิกเฉยต่อการดูถูกต่อคำพูดเท็ดเท็ดทั้งหลายอาเมน